โลกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติใดาภาษาใดาวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยชราผู้หญิงผู้ชายเศิษฐีวันน่พกใครก็ตามนะแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทางด้านศาสนาภาษาสีผิวเศรษฐฐานะแต่เมื่อพูดถึงความทุกข์แล้วเนี่ยมันก็สรุปได้แค่สองนะไม่ค่อยพ้นไปจากนี้เท่าไหร่นั่นคือ ทุกข์เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแล้วก็ทุกข์เพราะพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจอันนี้ก็เป็นสัจธรรมก็ว่าได้นะที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปไว้อย่างกระชับนะในบทสวดมนต์ธรวัดเช้าทุกเช้าเนี่ยถ้าเรารู้จักคำแปลเนี่ยเราก็จะ พบกับสงประโยชน์นี้อยู่เป็นประจำการประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์การพลดพลาดจากสิ่งที่รังที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เช่นอะไรนะเช่นอากาศร้อนอากาศหนาวเสียงดังถูกแมงสัตว์กัดต่อยความเจ็บป่วยความแก่ชรา คำต่อว่าด่าทอความล้มเหลวนะทั้งหมดนี้เนีน่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งโลกจะล้วนประสบทั้งนั้นแล้วก็ทุกข์กับเรื่องนี้ทั้งนั้นและไม่ใช่เพราะว่าประสบกับสิ่งที่ไม่รับไม่พอใจแต่ยังพัดพลาจากสิ่งที่ราที่พอใจ เช่นอะไรบ้างนะก็สูญทรัพย์เสียเงินหรือว่าเสียยศเสียตำแหน่งเสียอำนาจหรือว่าสูญเสียคนรักรอาจจะจากเป็นหรือแม้ก็ัจากตายรวมถึงการสูญเสียกาลังวังชาสูญเสียความสามารถหรือสมรรถนะ เช่นพอแก่ตัวลงก็ความจอมก็เริ่มเสื่อมไม่สามารถที่จะมีความสามารถเหมือนแต่ก่อนซึ่งเท่ากันไปแล้วนี่มันก็ความสูญเสียที่ว่าหรือความพัดพลาดที่ว่านี่มันก็หนีไม่พ้นนะสี่้าเรื่องนี่นะหนึ่เรื่องทรัพย์ 2. เรื่องร่างกาย 3. งานการหรือรวมกันการเรียน4 ความสัมพันธ์หรือคนที่เราผูกพันด้วยในความทุกขคนเราเนี่ยแปดพันล้านคนในปัจจุบันเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยน่าจะทุกข์ไปด้วยเหตุผลต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นสองข้อเ น, นี้ลองพิจารณาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันยังมีอีกข้อหนึ่งนะที่เราก็สวดอยู่เป็นประจำเหมือนกันหรือสาธยายอยู่ ทุกครั้งเวลาเราทำวาสวนหมนก็คือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ประการที่สามซึ่งมอเนย์นินึงก็เป็นส่วนต่อเติมเสริมขยายจากทุกสองประการแรกทุกสองประการแรกเนี่ยคือประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจ พ, พจัดผ่าจากสิ่งที่รักที่พอใจเนี่ย มันหมายถึงความเปลี่ยนแปลงในทางลบพูดอย่างง่ายๆคืออยู่ในภาวะที่ติดลบพก็เจอเหตุร้ายความเจ็บป่วยความสูญเสียเงินทองทรัพย์ถูกโกงคนรักล้มหายใจจากพวกนี้มันคือความเปลี่ยนแปลงในทางลบมันคือภาวะที่เราเรียกว่า มันไม่เหมือนเดิมและเป็นความไม่เหมือนเดิมที่เป็นลบในขณะที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยนะเช่นปรารถนาโชคลาภแล้วก็ไม่ได้ปรารถนารางวัลแต่ไม่ได้ปรารถนาคำชื่นชมสารเสริญแต่ไม่ได้อันนี้มอญง่ายๆหนึ่งก็คือเท่าทุนนันนะเท่าทุนก็คือว่า สถานการณ์ก็ยังคงเดิมไม่ได้เสียอะไรไปเลยเพียงแต่ไม่ได้แค่ น, นั้นงไม่ได้โชคไม่ได้ลาบไม่ได้รับความช่วยชมสรเสริมมองในงไงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหตุให้ทุกน้อยกว่านะไม่เหมือนกับว่าติดลบนะปนาจจายสิ่งใัไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยในแง่นหนึ่งก็คือเท่าทุนแต่แม้กระนั้นเนี่ยคนก็ยังมีความทุกข์นะอยากได้โชคอยากได้ลาบแต่ไม่ได้มันก็ทุก อยากได้คำชื่นชมสารสนเอยากได้รางวัลแต่ไม่ได้มันก็ทุกข์ทั้งนั่งที่ไม่ได้เสียอะไรไปเลยเพียงแต่ไม่ได้อย่างที่อยากแต่มองนึงน่ัหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเหแห่งทุกข์ที่ประมาทหรือมองข้ามไม่ได้ถึงแม้ว่าในหลายสาการเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเท่าทุนนะไม่ขาดทุนไม่ติดลบแต่ว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ย แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นจากเรื่องนี้แหละปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นรู้่ายคืออยากอะไรแล้วไม่ได้อย่างที่อยากหรือว่าได้ไม่สมอยากอาจจะได้เหมือนกันแต่ว่าได้ไม่เต็มอยากอยากได้ร้อยแต่มันได้แค่ส0บอยากได้ล้านนะแต่มันได้แค่พันมันก็ทุกข์นะจริงๆก็ไม่น่าทุกข์นะเพราะว่ามันไม่ได้ขาดทุนไม่ได้เสียอะไรเลยเพียงแต่ว่าได้น้อย แต่ว่าคนก็ทุกมากนะมันเป็นสัจธรรมนะปรารถนาสิง่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอยากได้อะไรไม่ได้อย่างที่อยากแล้วพูดถึงความอยากเนี่ยนะมันมีความอยากร้อยแปดนะไม่ใช่แค่เรื่องโชคลาภไม่ใช่แค่แค่รางวัลอยากจะอยู่ไปจนตายหรืออยากจะอยู่จนแก่อยากจะให้คนรักมีชีวิตรอด จากความเจ็บป่วยจนไปถึงว่าอยากให้เพื่อนที่นัดเอาไว้มาตรงเวลาอยากให้อาหารที่สั่งนี่มันอร่อยเหมือนที่เคยกินแต่ไม่ว่าจะอยากอะไรนะถ้าไม่ได้อย่างที่อยากมันก็ทุกข์นะที่มันนา่าคิดคือว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ว, ว่าสิ่งที่อยากเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนไม่ใช่ว่าอยากในสิ่งที่สาคัญนี่แลวไม่ได้นี่มันจะทุกข์มากกว่า อยากสิ่งที่ไม่สําคัญแล้วก็ไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยหรือทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสิ่งที่อยากเนี่ยมันมากมันสําคัญหรือไม่สําคัญแต่จริงแล้วอยู่ที่ว่าความอยากมันมากหรือน้อยแค่ไหนอยากได้สิ่งที่มันสําคัญแต่ว่าความอยากนั้นไม่มากเช่น มีพ่อแม่ที่เจ็บป่วยอยู่ในระยะท้ายอยากจะให้ท่านมีชีวิตรอดแต่ว่าความอยากก็ไม่มากเพราะเข้าใจความจริงของชีวิตก็เห็นว่าท่านก็อายุร้อยแล้วนะงนั้นถ้าเกิดว่าได้ไม่สมอยากนะก็คือว่าท่านไม่รอดท่านเสียชีวิตอาจจะทุกน้อยกว่าคนที่อยากได้สิ่งที่เล็กน้อยแต่ว่าความอยากนั้นมันมาก เช่นนะอยากจะให้คนมาตรงเวลาอยากจะให้นักเรียนอยู่ในระเบียบฟังปรูสอนด้วยความตั้งใจไม่พูดคุยกันหรือว่าเจ้าว่าอยากจะให้พระในวัดนะฉันเงียบๆไม่พูดไม่คุยกันสิ่งที่อยากนี่นะมันเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับว่าอยากให้ คนที่รักเนี่ยมีชีวิตรอดแต่แม้จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่ถ้าความอยากมันเยอะนะมันก็ทุกมากกว่านะทุกมากกว่าคนที่อยากในเรื่องที่สําคัญแต่ว่าความอยากนี่มันไม่มากครูที่อยากจะให้นักเรียนตั้งใจฟังไม่พูดคุยกันไม่ก้มหน้าดูโทรศัพท์ถ้าอยากมากๆแล้วปรากฏว่าเด็กไม่ ไม่ทําตามอย่างที่อยากนี่ครูโกรธเลยนะโกรธอย่างรุนแรงที่เอาของที่อยู่ใกล้มือคว้างปาหัวหรือว่าเจ้าว่าจะอยากจะให้พระในวัดฉันเงียบๆไม่พูดไม่คุยกันจริงๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสำหับสำคัญอะไรนะแต่ถ้าเกิดมีใครบางคนนี่ไม่ยังพูดคุยกันแล้ว ความอยากของเจ้าว่ามีมากเนิ่โกรธนะจะลืมตัวอาจจะตะโกนด่าอันนี้เราเป็นเพราะความทุกข์และทุกข์เนี่ยนะมันเกิดจากความอยากว่ามากว่ามีมากอันนี้เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยตระหนักนะไม่ค่อยตระหนักว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่อยากเนี่ยมัน ใหญ่หรือเล็กสาคัญหรือไม่สำคัญแต่มีอยู่ที่ปริมาณความอยากในใจนะนะว่ามากหรือน้อยอั น, นี้เวลาปรารถนาหรืออยากอะไรแล้วมันไม่ได้เนี่ย mm hmm. เช่นอยากจะให้นักเรียนอยู่ในความสงบไม่พูดไม่คุยกันแต่พอมีนักเรียนบางคนพูดคุยทำให้ ความสงบมันเสียไปครูไม่ได้อย่างที่อยากก็โกรธแล้วก็มักจะเข้าใจว่าไอ้ความทุกข์หรือความโกรธที่เกิดขึ้นเน่เป็นเพราะเด็กคนนั้นหรือเวลาเราต้องการความสงบในการปฏิบัติธรรมแล้วบอกว่ามันมีความไม่สงบมีเสียงดังเกิดขึ้นมีคนพูดคุยกันหลายคนก็จะโกรธนโกรธ เสียงที่มันแทรกเข้ามาหรือโกรธคนที่พูดคุยกันที่มารบกวนความสงบแล้วก็โทษว่าเนี่ยคนนั้นเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะนั้นก็ต้องจัดการอาจจะ ด, ดา่าอาจจะโวยวายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่คนเหล่านั้นนะที่ทําให้เราไม่ได้อย่างที่อยากเนี่ยแต่เป็นเพราะความอยาก ในใจของเราต่างหากว่าถ้าเราอยากมากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากมันก็ทุกข์แล้วก็อาจจะระบาดเป็นความโรกรธเพื่อน่าคือว่าเหตุทุกข์ไม่ได้อยู่ที่นอกตัวเนะียไม่อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความอยากนั่นเองทุกข์มากหรือทุกข์น้อยอยู่ที่อยากมากหรืออยากน้อยนะถ้าอยากมากแล้วไม่ได้อย่างที่อยาก แม้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็อาจจะโกรธมากมีบางคนนะนักปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยมาปรึกษาครูบาอาจารย์เนี่ยบอกว่าอยากจะปฏิบัติให้มันมีความรูสึกตัวให้มีความสงบแต่ไม่พบความสงบเลยผิดหวังมากไม่ใช่แค่อยากสึกนะอยากจะฆ่าตัวตาย ว่อะไรป่านนั้นนะแค่ความไม่สงบนะมันจะทําให้คนเราเนี่ยถึงกับฆ่าตัวตายเลยจริงๆมันก็ไมใช่เป็นเรื่องใหญ่โตนะแต่พอมีความอยากมากๆมันก็ยึดพอยึดมากๆเนี่ยไม่แต่งที่อยากแม้ถึงที่อยากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ก็สามารถทําให้คนบางคนเนี่ยทุกข์กัดกลุ้มใจนะจนกระทําไม่อยากอยู่ อันนี้ก็ไม่ต่างจากวัยรุ่นนะหลายคนเลยเห็นใบหน้าตัวมีสิวเนี่ยไม่อยากให้มีสิวเลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้สิวมันหายไปแต่ว่าสิวก็ไม่หายความอยากจะให้สิวมันหายอยากจะให้ใบหน้าเกลี้ยงเกลานี่มันรุนแรงมากแต่ครั้นไม่ได้อย่างที่อยากใบหน้าไม่เกลี้ยงเกลาสิวไม่หายทุกมากนะอยากจะฆ่าตัวตายก็มีนะ บางคนนี่ก็บอกว่าเป็นวิกฤตของในขงเป็นวิกฤตของชีวิตเลยทีเดียวยี่งเรื่องเสือน่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคนบางคนเป็นมะเร็งแต่เขม่เห็นทุกข์ขนาดนั้นเลยทำไมถึงทุกข์ทำไมคนมีเสื่อนี่ทุกข์กับคนที่เป็นมะเร็งเสื่อมาเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายไม่ใช่เป็นเรื่องความเปลี่ยนความตาย แต่สำหรับบางคนเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะอะไรเพราะความยึดความอยากนี่มันแรงกล้าก็อย่างที่บอกนะสิ่งที่อยากเนี่ยมันจะสําคัญหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งความทุกคนเราเหมือนเดกที่ว่าสิ่งที่อยากเนี่ยมันใหญ่หรือเล็กสําคัญหรือไม่สําคัญแต่มันอยู่ที่ขนาดของความอยากมากกว่าว่าถ้าอยากมากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากก็ทุกข์นะจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องจิบจอยก็ตาะฉะนั้นถ้าไม่อยากทุกข์เนี่ยนะ เราต้องกลับมาที่จัดการความอยากในใจเราไม่ใช่ไปมัวจัดการกับสิ่งต่างๆหรือคนที่อยู่รอบตัวเราที่ทำให้เราไม่ได้อย่างที่อยากเช่นอยากได้ความสงบแล้วจะเข้ามาทำลายความสงบอยากให้วัดมีระเบียบอยากให้โรงเรียนมีระเบียบแต่ว่ามีบางคนส่งเสียงดังไม่ทำตามระเบียบก็ไปจัดการกับคนเหล่านะั้นหรือสิ่งเหล่านะั้นจนลืมมาจัดการที่ใจ ว่าเป็นเพราะเราเดดเราอยากมากเกินไปหรือเปล่าไอ้สิ่งที่ทําเนี่ยทาให้เกิดระเบียบขึ้นเนี่ยมันก็ดีนะเราเรียกว่าทํากิจนะแต่ก็อย่าลืมทํากิตดเลยโดยพ่อถ่าว่าไม่อยากทุกข์นี้เราจะจัด ก, การความอยาก ย, ยังไงก็อย่างน้อยก็ต้องรู้ทันซะก่อ น, นมันมีความอยากเกิดก็ต้องรู้ทัน ไม่ใช่ปล่อยใจไปตามความอยากและไปจัดการกับสิ่งภายนอกให้ได้สมอยากบางคนนี่มีความอยากรวยแต่มันไม่รวยสักทีก็เลยไปสรรหาวิธีการนะไม่ใช่แค่เล่นหวยบางทีเล่นการพนันเล่นการพนันหลายวิธีทั้งไพ่ทั้งโปทั้งพนันออนไลน์บางทียังได้ไม่สมอยากก็ทุจริตซะเลย มัวไปจัดการกับสิ่งภายนอกจนลืมแก้ทุกข์ด้วยการจัดการที่ใจของตนแล้วคนไปส่วนใหญ่ไปแก้ทุติยการพยายามทำให้สมอยากนะแต่ลืมไปว่าในความอยากงตัวเองที่ทําให้เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าความอยากลดลงแม้ไม่สมอยากไม่ได้อย่างที่อยากมันก็ทุกข์น้อยถ้าเราต้องหมันรู้ทันนะความอยากเห็นความอยากที่มันเกิดขึ้น ไม่ใช่มัวแต่ส่งจิตออกนอกไปแก้ทุกข์กันที่ข้างนอกแต่ต้องกลับมาแก้ทุกข์ที่ใจแก้ทุกข์ที่การรู้ทันความอยากแล้วก็สําคัญนะรู้ทันอันนี้มันก็มีอีกทมีอนุภาพเยอะไม่ใช่กดข่มนะกดข่มความอยากก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็นอันตรายเหมือนกันนะเหมือนทำนองเดียวกับการกดข่มความโกรธมันก็ทําให้เรียกว่าอัดอั้นตันใจพร้อมจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความอยากก็เหมือนกัน กดเอาไว้นี่มันก็ระเบิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะบางคนนี่นะมีนะช่วงขคาบรรษานี่ตั้งใจจะถือศีลห้าให้ครบแต่ว่าตัวเองปิดเหล้าก็พยายามกดข่มความอยากอยากเล่าไม่มีวิธีอื่นนะที่จะกลายความอยากก็ได้แต่กดข่มเอาไว้แต่พอถึงวันออกบันศานี่ไอความอยากที่กดข่มไว้มันระเบิดออกมาแค่วันเดียวขณะกินเหล้าเมาเลยนะ เมาม่จนกรทั้งไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยทั้งที่ช่วงขาําวรนสานี่ไม่แตะเหล้าเนี่ยแต่นั่นเป็นเพราะความกดขบความหยาบพอถึงเวลาที่จะปล่อยผีในความหยํามผียองความหยามระเบิดออกมากินเหล้าจนไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนไปทํำร้ายเมียด้วยความเมาไม้เมียก็ฮึดสู้คว้าอาวุธอะไรที่อยู่ใกล้มือได้ก็ เอามาป้องกันตัวเพราะว่าผัวนี่ก็ตายเลยเพราะว่าต้องการทำร้ายเมียด้วยความเมาหมายเมียก็ต้องต่อสู้นี่เรียกว่าเก็บกดนะไอ้ความอยากนี่มันเก็บกดไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำตามความอยากไปตะพื้นตพื้ก็อันตรายหรือปล่อยให้ความอยากมันเพื่องผูในใจแล้วพอไม่ได้สมอยากก็ทุกข์ขับแค้นใจจะดีกว่าถ้าเรารู้จักรู้เท่าทันมัน รู้เท่าทันมันแล้วก็ไม่ให้มันคลองใจพ่อแม่บางคนเนี่ยก็สอนลูกนะลูกอยากได้ของเล่นอยากได้โทรศัพท์มือถือราคาแพงแม่ก็ไม่ได้ให้ง่ายๆจะบอกว่าให้มาดูความอยากไปที่ร้านดูของแล้วก็ดูความอยากไปด้วย ให้ทำสักอาทิตย์นึงนะเป็นเงื่อนไขเพื่อที่แม่จะให้ให้เงินลูกเนี่ยไปซื้อของอย่างที่ต้องการแต่ก็หาเงินจากลูกด้วยนะไม่ใช่ให้ไปเปล่าๆเรลูกไปดูความอยากได้ลูไปดูของที่ร้านแล้วก็ดูความอยากสังเกตความอยากตัวเองไปได้แค่สามสี่วันก็บอกแม่แล้วไม่เอาแล้วไม่อยากแล้วความอยากเนี่ยมัน ก็เช่นเดียวกับอารมณ์ต่างๆนะมันมันไม่มันไม่คงทนต่อการถูกรู้ถูกเห็นมันกลัวนะเขาไปรู้ไปเห็นมันด้วยสติเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟ a l ลงไปแต่ส่วนใหญ่คนเราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาดูหรือไม่สนใจที่จะดูความอยากนะั้นมันปล่อยใจไปตามความอยากอย่างง่ายๆมันก็เลย เรียกว่าเพียงพวามพ่ายแพ้ต่อกิเลสต่อความอยากจนเสียผู้เสียคนจนเป็นนี้เป็นศิลบางทีก็ติดการพ น, นันหรือว่าจะหนักกว่า น, นั้นฉถ้าเราหารู้จักดูความอยากเห็นมันและยิ่งถ้าเราเห็นโทษของความอยากนะว่าความอยากเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์คือสมุทยัยในความไม่สมอยากรือ เหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สมอยากเนี่ยเช่นคนบางคนหรือสิ่งบางสิ่งที่ทําให้ไม่สมอยากเนี่ยยังไม่ใช่เหตุแห่งทุกขที่แท้จริงนะเหตุแห่งทุกขที่แทจริงคือความอยากนั่นแหละแต่คนส่วนใหญ่ไม่จะไปคิดว่าเนี่ยคนก็ดีสิ่งต่างๆก็ดีที่ทําให้เราไม่สมอยากนั่นแหละคือตัวปัญหาที่ต้องจัดการอันนั้นมันแก้ปัญหาผิดจุดอันนี้เราว่าไม่รู้จักสมุทัยที่แท้สมุทัยที่แท้อยู่ที่ ความอยากในใจซึ่งมันนาไปสู่ความยึดอยากก็ยึดนเนเรื่องเดียวกันแต่จึงถ้าเราไปดูนะถ้าเราโยงเรื่องเรื่องนี้มาถึงเรื่องเคขงังทุกสองประการที่กล่าวมาเนี่ยประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพาจากสิ่งที่เราที่พอใจก็เป็นทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีความอยากเข้าไปผสมลงด้วยนะอยากให้ไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจ อยากประสบกับสิ่งที่รักที่พอใจลำพังเนี่ยแค่ประสบกับสิ่งที่ไม่รัก <analyze> ไม่พอใจมันก็ทุกข์แล้วนะหรือพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจมันก็ทุกข์อยู่แล้วแต่พอมีความอยากสำทับเข้าไปเนี่ยอยากไม่ให้สิ่งที่รักที่พอใจพัดพลาดไปสูญเสียไปหรืออยากให้ไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจหรือไม่ประสบกับเรื่องในทางลบยิ่งทาให้ทุกข์มากขึ้น ไอ้ประสบกับสิ่งที่ไม่ลักไม่พอใจนี่มันหนีไม่พ้นนะคนเราอ่ะหรือพลดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจนี่ก็เป็นสิ่งที่คนเราหนีไม่พ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ให้ความอยากเข้ามาผสมลงในสองสิ่งเนี่ยมันก็จะทุกน้อยลงนะประสบกับสิ่งที่ไม่ลักไม่พอใจเห็นความเจ็บความป่วยความแก่ความต่อบาดาทอนี่มันก็ทุกพอแรงอยู่แล้วแต่ถ้าตั้งความมุ่งมาว่าฉัน ขออย่าได้เจอสิ่งเหล่านี้เลยพอเจอเข้ามันทุกข์กว่าเดิมนะหรือว่าขอให้ฉันได้พบกับสิ่งที่เราที่พอใจแค่นี้มันก็พอไม่ได้ก็ทุกข์อยู่แล้วแต่ถ้ามีความอยากนะอยากให้ได้สิ่งที่เราที่พอใจยิ่งทุกข์เข้าไปอย่างเราจะหนีไม่พ้นนะประสบกับสิ่งที่แม้เราไม่พอใจหรือพลาดพลาดจากสิ่งที่เราที่พอใจเนี่ยหนีไม่พ้นแต่อย่างน้อยอย่าให้ความอยากมันเข้าไป เจอผลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะดำเนินชีวิตให้มีความทุกข์น้อยลงเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ถึงนั้นหรือว่าอความยึดความอยากของเราไม่ว่าในเรื่องแตก็ตามเนี่ยก็อย่าให้มันคลองจิตคลองใจมากมันมีได้นะคนเราหนีไม่พ้นหรอกเพราะยังมีกิเลส อ, อยู่แต่ว่าก็ให้รู้ทัน แล้วก็เตือนต้นอยู่เสมอนะว่ามีความอยากเมื่อไรเนี่ยมันก็มีความทุกข์เมื่อนั้นแล้วก็อยากมากก็ทุกมากอยากน้อยก็ทุกน้อยไม่ว่าสิ่งที่อยากจะจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อเรารู้เห็นท่งความอยากแล้วนะเราก็จะได้จํากัดขอบเขตของความอยากให้มันไม่ให้รุนแรงเกินไปหรือแม้ก็รู้ทันแล้วก็เตือนตันได้นะว่าเออมันไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีใครจได้ทุกอย่างสมอยาก มันถ้าอยากสิ่งใดก็เตรียมเตรียมทุกขนะเตรียมใจทุก์ไว้ได้เลยอันนี้ก็ช่วยเตือนสติให้กับคนเราได้เอาคำนี้พูพเทานี้นะ